ละไปเรื่อยเดี๋ยวเดินไปเท้าเหยียบดินแฉะมันครอบคลุงอีกละไปเรื่อยยังไงก็ต้องเดินอยู่แล้วจะเป็นบ่นอะไรข้างในอย่าให้มันเปิดช่องอย่าเปิดช่องให้มันคว่างทิ้งไปเรื่อยวันนี้เราภาวนาแต่ในห้องกรรมฐานเราจึงไม่เคยฝึกนิสัยความเคยคุ้น เดินออกไปโอ้ตายแล้วฝนตกจะบ่นทําไมเดี๋ยวก็ต้องเดินกลับถ้าไม่เดินกลับเดี๋ยวจะเอาเต็นท์มาให้เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องกลับก็กลับก็เดินไปจะแฉะก็แฉะรองเท้าจะเปื้อนก็เปื้อนเปื้อนก็ไปล้างเนื่อนไขต่างๆมันจะค่อยๆสลายไปมันจะไม่เกิดการปรุงขึ้นมาเมื่อเราไม่เปิดช่องเดี๋ยวไปถึงก็ หลับนะ้ำหับถ้านอนปุ๊กออกมากเอาอาสนะมานุนหัวเลยนอนนอนนอนเหมือนจะไปนอนหนับเหนื่อยนอะนี่หลับเลยหลับเลยปุ๊กหลับตอนนี้หลับหลับเลย หลับเีเดี๋ยวพวกนี้ตื่นไม่ทันเดี๋ยวพวกนี้ต้องตื่นทีสี่หลับเลยหลับยังไม่หลับทำไมไม่หลับอ่ะทำไมปุ๊กถึงไม่หลับเขาไม่ใช่เราภาวนาไปให้มันเห็นตลอดทุกๆุกอย่างสั่งให้หลับไม่หลับถึงเวลาจะหลับก็หลับ เมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมที่ขันสมควรก็หลับไปเลยแต่ถ้าภาวนาไปเรื่อยๆไม่หลับนะคืนนี้ถ้าจะพักก็รู้ว่าจะต้องทำยังไงเนะมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานเขาเองวันนี้มีสติคอยดูเอาอากุศลออก เอ า, เ อ, า อ, อกุศลออกมันก็จะทํากุศลไปขันนี้จะทํากุศลเพราะมีสติปัญญาคอยปัดเอ า, เ อ, า อ, อกุศลออกอาลูกกันเดี๋ยวหลับจริงเห็นพระนารให้เห็นจริงๆนอนก็ไม่ใช่สั่งได้ให้หลับไม่หลับเช้าโหชาติเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยจะได้ไม่ต้องพูดก็จะให้ทําไงอะ่ะบอกผมไม่วใช่ผมทําไง เพราะถ้าผมนอนไม่หลับผมก็ก็ไม่หลับว่าทำไงแค่อย่าไปทุกข์กับมันคุณคิดว่าพระหานมีไม่นอนไม่หลับมีไหม <c oughs> มีพระหารเข้าป่าเดินทุดงท่านว่าหลับไหมบางทีก็ไม่หลับก็แปลกที่เ็าไม่หลับเหมือนกันคนที่ไม่หลับคือขันนะไม่ใช่ท่าน เอาไปทีละตอนนะเพราะฉะนั้นเดินไปกลับไปแค่หยุดการกระทาที่เข้าไปบงการแล้วก็เอาขันมาเป็นเจ้าของละอารมณ์ไปอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตตั้งมั่นมันจะโผล่ขึ้นมาฟังอยู่อย่างเงี้ยฟังอยู่อย่างเงี้ยฟังความจริงอยู่อย่างเงี้ยทั้งครูบาอาจารย์ทั้งคำพู้เจ้าทั้งสิ่งที่ทำให้ดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะบันทึกเข้าไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อจิตตั้งมั่นมันจะโผล่ขึ้นมาเลยเฮ้ยทุกขอมันมีครูเปล่าเนี่ยเดี๋ยวได้นั่งร้องไห้กันบ้างนี่มันไม่ใช่ของเราเหรอทั้งสังสารวัฏนี่นึกว่ามันเป็นของเรามาตลอดนึกว่าเป็นเรามาตลอดมันพล่กขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้นั่งน้ำตาไหลน้ำตาไหลเพราะอะไรขนาดรู้ความจริงยังโง่ร้องไห้ก็ละกันะดูละกันคอยดูเองก็ละกัน นี่คือความจริงที่จะปล่อยเจ้าหนี้นะยังนั่งร้องไห้โหยหาอาวรถึงความโง่ของของจิตอย่างนี้แหละหลังจากนั้นไม่ต้องห่วงพอเห็นทีหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มโง่น้อยแนละ้วเพราะฉะนั้นผมทำหน้าที่ผมเต็มที่แน่นะที่เหลือท่าน เพราะผมไม่รู้ว่านี่อาจจะเป็นคอสเข้มครั้งสุดท้ายในปีนี้แล้วก็ไม่เปิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ก็แล้วกันผมมาทำหน้าที่เต็มที่แล้วจบผมกลับเลยเดี๋ยวเราแผ่เมตตากัน ไม่ต้องเร็วมากนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตาังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมยัีนางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ ญ, ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเทิด อรหังสัมมอาอรหังสัมมาสัพุทธ佛法ภาวาพุทธังพระภาวัานตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระภาวตาธัมโม อามะนามาสามีสุปฏิปันโนภควะโตสาวะกัสังโคสังขังนามามีเชิญครับก็เจอกันตื่นที่สี่ ส่วนใครจะอยู่ภาวนาต่อก็อตามสบายหรือว่าถ้าใครคืนนี้ไม่อยากกลับไปนอนที่นู่นอยากจะนอนแถวแถวระเบียงติดต่อวัชระนะครับมีเต็นท์อยู่หกเต็นท์ไปเอามาแล้วเอาอาศานะเนี่ยปูนอนนะตีสี่ตื่นมาค่อยกลับไปล้างหน้าแปรงฟันสวนกับเพื่อนอตามสบายเจิตามอัธยาศาัย